คุณณจีเก้าเสียงลำนามเดิมตาไปเสียงลำกําเนิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2444 ตรงเดือน 11 แรม 12 ค่ําปีฉลูที่บ้านห้วยสายตําบล คุณตำระรังสีศูนย์เสียงลำมารดาชื่อด่อนเสียงลำที่มาของชื่อคุณแม่ชีแก้วเสียงลำ อบพุทธศักราช 2480 หลวงพ่อกาเป็นพระอุปัชฌาย์ณวัดหนองน่อง 1 นาย 2 นาย 3 นายอินทร์สิงห์ลำ 4 นาง 5 คุณแม่จี่แก้ว 5 ขวบคุณ เป็นหญิงม่ายมีลูกหญิงติดมา 1 คนเมื่อมาอยู่กับคุณพ่อของท่านมีลูกชาย 1 คนแต่ถึงแก่ๆเพราะท่านเป็นคน เมื่อยังเด็กคุณแม่ฉี่แก้วระลึกชาได้ พี่ชายคนโตคือลุงตีและพี่สาวคือป้าป๋อนไม่ค่อยรักใคร่เอ็นดูท่านส่วนพี่ชาย 2 คนคือลุง พ.ศ. 25460 หลวงปู่เสากันตสีโลและหลวงปู่มั่นบุริธทโตพร้อมคณะพระกรรมฐาน 60 รูปได้เดิน ได้กราบ รมช. การลงปลูกมันเป็นครั้งแรกที่บ้าน 16 ปีท่านเป็นคนอย่างขยันครรแข็งอยากจะ ในขอเทศตรงนั้นจากคุณแม่ถี่ 1 กิโลเมตร ตระกูลของคุณแม่ขี่แก้วเป็นชนชาวภูไทยที่ ที่มากราบเลิกนับถือผีหลวงปู่และทําครอบครัวคงกํานาจีกาลเป็น ไปทำบุญที่มาเสมอๆหลวงปู่มั่นได้เห็นคุณแม่ขี่แก้วรับไตรศรัณณคมในปีแรกที่หลวงปู่มั่นได้มาอยู่ที่วัดหนองน่อง สวัสดีคุณบทพุทโธธัมโมสังโฆพร้อมลมหายใจหลวงปู่มันได้ถาม คุณแม่ฉี่แก้วรับประทานอาหารเย็นเสร็จ 21 นาทีคุณแม่ เห็นตนเองแก่ลงแก่ลงและตายในที่สุดแล้ว ดวงปู่มันได้ใช้ไม้ถาวชี้ลงไป จับเนื้อตัวแขนขาตนเองก็ คุณแม่ฉีแก้วก็มาใส่บาตรแล้วหลวงปู่มั่นได้บอกให้ ก็กินข้าวคนบาตรต่อหน้าท่านคุณแม่จี่แก้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของคุณแม่เพราะแท้ ก่อนจากไปหลวงปู่มั่นได้ประรารภกับคุณแม่ฉีแก้วว่าหากคุณแม่เป็นผู้ชายก็ใช้บวชเนนและ ชีวิตทางโลกและทาง 2461 คุณ 17 ปีได้แต่งงานกับคุณชื่อนายบุญมาสิงห์ล้ํา คุณแม่เกรงที่แก้วเมื่อได้หญิงแก้วอายุประมาณ 8 ถึง 9 ขวบคุณแม่ฉีแก้วเห็นว่าลูกพอ เบญจาปูจายมาี่ยมจึงได้ช่วยพูดให้คุณแม่จึงได้บวชสมประสงค์ 36 37 ปี คุณแม่จี่แก้วจะต้องศึกเมื่อออกพรรษาแต่หลังออกพรรษา สามีคุณแม่โกรธมากประกาศตัดขาดแยก ความนี้แปลกๆต่างๆนานาอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเช่นเมื่อภาวนาแล้วเห็นวัวหรือควายมาขอคุณแม่ ส่งสูตรมนต์แผ่เมตตาบทกรณียเมตตาสูตรจึงได้หาย คุณแม่ฉีแก้วจริงตั้งจิตอธิฐานว่าถ้าจะได้อยู่ที่ผูก้าวนี้ขอให้พบแหล่งน้ำเมื่อท่านนั่งสมาธิปวนาจริงได้เห็นแอ่งน้ำถึง 11 แอ่งอยู่บริเวณลานหินด้านล่างมีถวันและยาปกครุมอยู่เป็นย่มย่มแอ่งน้ำเหล่าดีเดิมเป็นที่อาบน้ำของพระปัญเจพุทธจ้างมาก่อนคุ ที่ปกคุมอยู่ออกไปแล้วขุด 14 15 ศอกความ 4 5 ศอกเมื่อขุดลอกแล้วเช่นปัญหาเรื่องสวม ลิงก็พากันมาแอบดูโครกกิกกักกิกสงครามโลกครั้งที่ 2 กลางระเบิดพระเนินก็หนีลงจากปูไปอยู่ที่ราบหลบ ในเวลาต่อมาเวลาต่อมาพระอาจารย์คําพันลาศิกาคุณแม่จี่แก้วจึงต้อง 2488 ในระยะแรกนั้นลําบากมากอัตถคัดขาดแคลนไปหมดต้องใช้กระบอกไม่มีโรงเท้าต้องตัดกาบหมากมาใช้มีดพรานจอบสิบก็ไม่มีวิตามินเล็ก จึงได้แยกตัวไปเสาะสมัยที่คุณแม่ ไปปฏิบัติอย่างไรอยู่กับหลวงปู่กงมานั้นปฏิบัติอย่างไรภาวนาอย่างไรจิตก็ไม่ยอมลงเพราะถือความรู้ตัวเองมากเกินไปนิพพานก็รู้แล้วทางไปก็รู้แล้วประตูนิพพานก็รู้แล้วอย่าแข็งกระด้าง ก็ได้ตนึกด่าตัวเองอยู่ในใจว่าอีทิฐิอีมานะอีหยาบอีดื้ออีโน่นรกอเวจีนั่งภาวนาก็ด่าเดินจุรุงก็ด่าปวดท้องปิดก็ปวดฝนก็ตกระหน่ําเดินจุกรุมตากฝนตลอด ชอบปลาอาหารกวนใส่อยู่กับครูบาอาจารย์มันดื้อมันอวดมันบริการๆอยู่ที่นี่เพราะถือว่าตนรู้ถือผู้รู้ จักจิตนี้น้อยก็สว่างมากขึ้นฟ่างขึ้นขยายว่างกว้างจนสว่างหมดแต่ก่อนมันไม่สว่างไม่ชัดเจนรบรูอยู่พอจิตยอมแล้วก็สว่าง เมื่อออกจากทางจมครมแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าทํากิจการเองแบ่งให้พระเนินๆก็ดูนุ่มนวล ไม่ควรว่าก็ว่าควรว่าก็ว่าไม่ควรด่าก็ด่าคำด่าก็เป็นคำเดียวกันกับที่คุณแม่นึกด่าตัวเองอยู่ภายในใจนั่นเองๆครับศาลาว่าไม เวลาบ่ายหลวงปู่ออกจากที่พักพรแล้วคุณ สำนักชีบ้านห้วยใสนับว่าเป็นสำนักชีที่เป็นเอกเทศไม่ได้ 3 4 องค์ ถึง 12 วันจึงจะถึงวัดป่าบ้านหนองผึ้งๆและท่านได้ๆซึ่งเป็น ในปีพุทธศักราช 2492 หลวงปู่มั่นท่านเริ่มมีอาการอาพาธและเมื่อได้นำท่านไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดตลาดก็ เกรงว่าจะเป็นเหตุให้สัตว์ตาในงานนี้จํานวนมากเขาจะฆ่า ในฐานบ้านห้วยสายได้เดิน 2493 หลวงตาพระมหาบัว ได้แก่หลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่เพียรหลวงปู่บุญเพ็งหลวงพูลี่สามเณรผู้บาลไปถึงสถานที่บ้านห้วยทราย คุณน้าฉีแก้วก็พยากรณ์ว่าจะมีครูบาอาจารย์สำคัญและพระสงฆ์ไม่ต่ำกว่า 10 ต่อมาไม่นานหลวงตาพระมหาบัวก็ได้เดินทางมาที่บ้านห้วยสายจริงๆดั่งนิมิตของท่านท่านแม่ท่านเกิดความปิติยินดีมากเพราะจะได้พบพระอาจารย์ ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบมาเป็นครูบาอาจารย์สั่ง ได้ไปจำพรรษาอยู่ในถ้ำ 1 ไดกิโลเมตรส่วนพระภิกษุท่าน การภาวนาแล้วท่านก็ภาวนาด้วยความระมัดระวัง หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนได้เล่าถึงคุณแม่ถี่แก้วในหนังสือหยดน้ําบน พอแก่ขึ้นต้นก็หน้าฟังท่านตีนี่ก็ไม่ได้ภาวนาเพิ่งแกว่าอย่างเราหลวงตามหาบัวก็สุจใจกึก เรเราก็จับได้ทันทีเลยว่าโอ้อันนี้เองที่มันปู่มันห้ามไปหาเราก็ภาวนาผู้ตั้งแต่เรื่องความรู้ เราก็ค่อยห้ามเข้าค่อยๆห้ามต่อไปห้ามไม่ให้ออกเด็ดขาดนี่แหละมาเป็นลําดับลําดาห้ามไม่ออกต่อไปห้ามนั่นเอาขนาดนั้น อันนั้นเป็นการรู้ภายนอกไม่ใช่รู้ภายในไม่กันแกก็ว่าแกรู้แกก็ทิ้งกันกับเรานี่แหละตอนมันสําคัญไปจะไป มีแต่คุณผ่านนะใครเป็นบรินนักป่าให้ไปลงไปไล่ลงอยู่นั้นลง พอนักประจายแก่ว่าว่าเดี๋ยวๆให้พูดซะก่อนแกจึงเล่าให้ฟังคือไปมันหมดหวังแกก็หวังจะ ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วทำไมถึงไม่ฟังคำของท่านเพราะเราอวดดีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ แก่ไม่แต่ออกรู้อย่างเดียวไม่ยอมเข้ามีแต่ออกรุ้ง เลยทําตามนั้นเพราะทําตามนั้นตามนั้นพอทําที่กลับขึ้นมากลับขึ้นมาเพราะเหตุนี้มันก็เปิดโล่งเออเอาล่ะทีนี้ขยําลงไป ดูสิ่ง ดูผี... นั้นน่ะดูพระเอกดูผีดูเทวบุตรเทวดามันก็เหมือนตาเนื้อเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยใจไม่หนักนะก็ 2494 เราไปจำสัตว์ที่อุทยายในราวสัก 2495 ละมันแกก็ผ่านนูทั้งดีเช่น เมื่อหลวงตาออกจากวัดคุณแม่จีแก้วก็จะทราบ เหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อหลวงปู่มั่นปุริทธโสมรณภาพคุณแม่ฉีแก้วก็ทราบก่อนที่จะ เวลา 4 ปีที่หลวงตาพระมหาบัวยณสัมปโนธรรมษาอยู่ที่บ้านห้วยสายนั้นชาวบ้านห้วยสายให้ความเคารพรักและเทื่อทูนหลวงตาเป็นที่สุดยิ่งหาที่เปรียบไม่ได้แล้วเมื่อหลวง ในวันศุกร์แรม 5 ค่ำเดือน 11 ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2495 ขณะนั้นคุณแม่ 51 ปีเป็นเวลาที่คุณแม่ท่านเดินจุกรอม มีสิ่งคลื่นเหมือนสิ้นชาติแล้วผ่าแคร่ที่นอนทุคคักลมและ เป็นพระธาตุแล้วพูดเท่านี้ถ้าพูด 2495 นู่นนานเท่าไหร่ ในปีพุทธศักราช 2498 หลวงตาพระมหาบัวได้ประรารภถึง 4 5 รูปเช่นหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่ เป็นผู้ที่เหมาะสมจะอบรมถ่ายทอด หลวงตาพระมหาบัวได้โยมมนดา ต่อมารวมมาดาของท่านหลวงตาพระมหาบัวเพราะความเป็นอยู่ที่จันทบุรีนั้นลําบากมากด้วย ได้มีโอกาสดูแลพยาบาลในช่วงปัจฉิมวัยของได 2510 คุณแม่ฉีแก้วจึงได้กราบหาหลวงตาพระมหาบัวกลับภูมิลําเนาที่บ้านวัวสายอําเภอ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวถึงคุณแม่แก้วว่าผู้เท่าแม่ ได้ถึงที่สุดแล้วสงบบริสุทธิ์กิจวัตรของ ตื่นนอนในช่วงเวลาประมาณ 3 นาฬิกา 5 นาฬิกาก็ 1 ข้าวทำกับข้าวจัดให้แม่ 3-4 รูปวัดห้วยสาย 3 กิโลเมตรซึ่ง คันอยู่ระหว่างกลางแนวรับอาหารที่ด้วยจักพระ เพื่อเติมไว้หาหน่อไม้จากนั้นได้เดินป่าหาเห็ดหาหน่อๆสําหรับประกอบอาหารตอนเย็นขึ้นศาลาไหว้พระ ถึงถึงเวลาประมาณ 20:00 น. หรือ 20 21:00 แล น. แล้วนั่งภาวนาถึง น. จึงพักพร ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาคุณน่าฉีเก่า ด้วยความนอบน้อมต่ออุบาสิกาแม่จี่แม่ขาวผู้สติปนโนปฏิบัติดีปฏิบัติ การสอนศิษย์ของคุณแม่ฉี่แก้วท่านจะเน้นเรื่องศีลความมีระเบียบวินัย แก่ท่านจะซึ่งมีครูมีอาจารย์ให้ศีน้ําไปวันพระ ก็ได้เห็นท่านได้ฟังธรรมะจากท่านเป็น ในปีพุทธศักราช 2520 ขณะนั้น 76 ปีท่านได้ล้มป่วยด้วยบรรณโรคเบาหวานและมะเร็งที่ปอด เป็นผู้นําไปรักษาเช่นพระอาจารย์สิงห์ทองพระอาจารย์เป หมอเป็นศรีมกรารณเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ รู้สึกเป็นห่วงท่านมากจึงได้ตัดสินใจมาอยู่ดูแลรักษาคุณแม่มาอยู่ดูแลรักษาคุณแม่เพราะท่านว่าที่ยังเพิรกคำฉะอีนั้นไม่มีรงหยบาลมีเพียงสถานิยนาใหม่เล็กๆและคุณหมอก็เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วจึงเป็นโอกาสดี ที่จะดูแลคุณแม่ด้วยยังเต็มกําลัง 14 ปี ปีพุทธศักราช 2534 ขณะนั้นคุณแม่ฉีแก้วมีอายุได้ 90 ปีด้วยทานขัน 3 ปีสุดท้ายและ 18 มิถุนายน 2534 เวลา 9:25 น. น, เวนที่ อำเภอคัมจีอีจังหวัดมุกดาหารสิริรุมอายุได้ 90 ปี 54 ปีในเพชรแม่จีนับเป็นความ 54 ปีในเพชรแม่จีที่คุณ นี่คล่องการปฏิบัติอันแนวแน่ของคุณแม่นี้เพลเลยด้วยอนิสงส์แห่งการบำเพ็ญ พระประวัติคุณแม่จี่แก้ว เมื่อประมาณพุทธศักราช 2509 ถึง 2510 ทรงโดยพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชขณะนั้นทรงดํารงสมณศักดิ์พระศาสนโสภณได้ไปที่วัดคุณแม่จีแก้วและคณะแม่ โดยมีองค์หลวงตาพระมหาบัวยนะสัมปันโนและคณะแม่ชีร่วม อะไรก็รู้หมดรู้ขึ้นมารู้หมดรู้รู้เข้ามารู้เข้ามารู้ขึ้นมารู้ขึ้นมารวมมันก็รู้หมดเลยมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหมดรู้ คันโดกับสิ่งนั้นคุณแม่ตอบว่าก็ช่วงนั้นพระอาจารย์ไปเที่ยวทุรดงท่านยังไม่กลับการภาวนาไม่เป็นเหมือนอย่าง ถ้าภาวนาไม่มีอะไรอาตมาจะดีท่านว่าอย่างนั้นก็เลยเล่าเรื่องให้ท่านฟังเหมือนกับเล่าให้ เหล BCE บอกท่านหมดแล้วๆสายสว่างหมดท kavram ไม่รู้จักถูกไม่รู้จักพิตขอไปอีก lo dura เหล坪 каче feud ขออภัยพระคุณแม่รู้หมดทุกสิ่งทุกประการคุณขอนิมนต์พระศาสนสุพลยังต้องการจะฟังคุณแม่รู้ 4 ขันธ์ 5 ดินน้ำไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจความ ก็เป็นอย่างนี้ละเป็นชาติใหม่เป็นอย่างนี้ล่ะไม่ใช่ ศาสนาสโภพลกล่าวต่อไปว่าคิดอย่างไรกับชาติเก่าชาติโอ๊ยชาติเก่าชาติใหม่นี้เมื่อเทียบกับตัวอ้าวสิ่งของ เขาเหมาเล่าเขาก็หลงหมด คุณแม่กายก็กายอันเก่ายังเปลี่ยนแต่ผู้รู้เท่ามีสิ่งของอะไรอะไรก็มีหมดทุกสิ่งทุกประการไว้แล้วของสิ่งนั้นมันก็ดับไปหมดไม่ มันก็อยู่เรื่อยๆเปลื่อยๆคนเราไม่มีๆนี่เองพระศาสนาโสภณหมายถึงว่า วันคุณแม่ฉี่แก้วที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ลูกนี้ลูกหาได้ตอนนิมิตถาวรทําให้ มีพระสมีออกด้วยโรคขณะอยู่ในท้องแม่ก็ใส พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็มาแม่พยากรวัยพ่อแม่ของ ได้ลูกเด็กจะอยู่ได้เพียงสามวันจริงๆและยังบอกอีกว่าเด็กจะ พอรุ่งอรุณวันใหม่ซึ่งเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของผู้ค่อยๆแตะที่ริมได้ซึมไหลเข้า พ่อแม่ของเด็กเขามาหาพาเลี้ยงเขาให้ดีไปกราบคุณแม่ทันทีคุณ รวมคุณแม่ฉีแก้วสิงห์หลําหน้า 27 คุณแม่ฉีแก้วทํานายหลวง มีแม่ชีอยู่คนหนึ่งชื่อแม่ชีแก้วเสียงล้ำซึ่งแม่ชีผู้นี้ท่านพระ ก็บวชเป็นสามเณรอีกอายุได้ 19 ปีย่างเข้า 20 ปีแต่ยังไม่ได้บวชเป็นพระก็สึกอีกชาติว่าถ้าอาตมาจะจะสึกจะ คุณถึงแม่ว่าท่านมหาจะอยากสึกอย่างไรก็ตามกล่าวว่าไม่เป็นเช่น